เาเป็นสร้างสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นทุกฝ่ายมันต้องมาช่วยเหลือกันว่าแต่และฝ่ายจะทำอะไรได้บ้างตรงนี้คือเทคนิคหรืออุบายในการที่จะให้เขามามีส่วนร่วมแล้วก็คู t e f f o r t toward อนาคตบางสิ่งบางอย่างตรงนี้กับกลายเป็นสิ่งที่เขาเขาชอบเพราะว่าผมจะคอยย้าอยู่เป็นระยะระยะว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ขอให้คิดว่าเราสามารถที่จะเป็นเหตุในการที่จะสร้างสิ่งที่ต้องการให้เกิดในวงเล็บน่าจะดีที่เราคิดว่าดีแล้วเชื่อว่าดีให้เกิดขึ้นโดยมีเราเป็นเหตุแล้วเราก็ไม่ใช่เหตุเดียวด้วยซ้ําแต่ละฝ่ายแต่และเซ็กชันก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะทําอะไรคิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีการกล่าวโทษอะ่ะไม่มีบอกว่าใครใครใครผิดเหตุมันมาจากไหน แต่เราลองมาคิดว่าเราจะสร้างเหตุแห่งความสําเร็จอย่างไรโดยมีบทบาทหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ที่เรามีอยู่แล้วก็ดูซิว่าแต่ละฝ่ายนะจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดอะไรซึ่งเป็นขององค์กรผู้บริหารที่ชอบแนวความคิดทํานองนี้มากนะครับแล้วท้ายที่สุดกลุ่มผู้บริหารเองก็ขอมาขอมาเข้ากระบวนการทํานองนี้ซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ เราไม่ต้องบัด ย, าย่าแจะทําทํานองเนี้ยให้มันให้มันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองก็จะชอบครับแล้วคิดว่าองค์กรก็เปลี่ยนแล้วก็มีคนขอมาขอมาเข้าเขาจะไปเล่ากันต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกเอาจัดต่อจัดต่ อ, ตอแล้วก็จะขอเข้าไอ้ตรงนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ นี่นี่ือเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ที่ผมทำานะ่ <c oughs> ผมไม่ได้คิดที่จะไปสร้างสเปสหรือหาเวลามันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่เราเอาวิธีการของเราในใส่แล้วก็หวังให้มันเกิดผลไปเลยเพื่อที่จะเกิดสิ่งที่ที่คุณหมอประเวกเขาพูดอยู่เรื่อยๆ t r a n s f o r m a t i v e learning ก็คือเราไปเป็นตัวกระบวนการที่ทำให้เกิด t r a n s m a t i v e learning ตรงนี้เกิดขึ้นนะทีนี้อีก คำหนึ่งซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทคุณหมอประเวศถามว่า เ, ออเรามีคำอะไรที่จะมาใช้แทนคำคำนี้บ้างเป็นภาษาไทยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมมาใช้คำว่าการก้าวข้ามบ่อยในบทความด้วยในยอะไรด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงมันก็ชักจะใครๆก็เปลี่ยนแปลงหมดนะค mm hmm. แต่ถ้าเราใช้คำว่าก้าวข้าม มันก็มีความหมายที่น่าสนใจแต่ก็มีปัญหาว่าอาจจะถูกตีความผิดเพราเราได้ก้าวข้ามบางอย่างและเลยบางอย่างคือก้าวข้ามมันไปก็มานึกถึงอีกคําหนึ่งที่เราเคยพูดกันแล้วก็คือามว่าเปลี่ยนผ่านนะฮะแต่สร้างรูปมันก็อาจจะนิ่งไปสักนิดนึง ก็เลยคิดขึ้นมาอเอ๊ะทางนั้นแต่เราเอา2อ อ, อันนี้มาผสมผสานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะสื่อว่า 1. ไม่ยึดติดอยู่กับของเดิม 2. มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3. ม, มันต่อเนื่องด้วยไม่ได้หยุดอยู่ยกับที่ก็เลยมีคำกลางขึ้นมาคำันก็คือการก้าวผ่านดีไหมอะไรทำนองนี้เพื่อจะสื่อคำว่า t r a n s m i t t i v e learning อย่างที่ว่า อันนี้ก็เป็นคำสามคําที่ลองลองเสนอเข้ามาในกลุ่มดูว่าถ้าเราจะไม่ใช้คําเดิมที่เราใช้อยู่การเปลี่ยนแปลงหรืออ้เปลี่ยนแปลงทั้งที่ผมก็ชอบเพราะว่าเพราะว่ามันแปลกอ่ะแล้วมันก็ไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมไงคืออยากจะใช้คําที้มันมันไม่เหมือนเดิมนะมันต้องการสื่อมันมันไม่เหมือนเดิมทั้งแถงเลยมันก็เข้าท่าอะไรอย่างนี้ แต่ว่าก็อยากอยากลองเสนอคำสามคานี้ดูว่าเออมันก็อาจจะใช้ได้นะเพราะว่ามันก็จะสื่ออย่างน้อยๆสามตัวอย่างที่ผมว่าไว้ก็คือไม่ยึดติดแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ต่อเนื่องไม่หยุดอยู่กับที่แต่ถ้าช่วยกันคิดมันอาจจะมีคำใหม่เกิดขึ้นก็ได้ที่เป็นภาษาไทยจะสื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คาเดิมที่เคยใช้กันมาก่อน มันจะถูกตีความในความหม่เก่ามากกว่าความหม่ใหม่มันเปลี่ยนทั้งแผงเนี่ยเออมันใหม่เลยนะเพราะ ม, มีอย่างน้อยก็มีทั้งแผงเข้ามาไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉยๆแต่ผมตอนนี้ผมใช้คำว่าก้าวข้ามแต่พยายามจะที่บลายว่าไม่ใช่กระโดดข้ามไปมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเรื่องคอลเลกทีฟอยู่ด้วยแล้วก็ปึ๊บเปลี่ยนไปได้ ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพียงแค่เมื่อกี้จะพารถถึงถึงมาอะไรที่คืนนั้น่นเองครับแล้วบางเริ่ผมนึ็กตอบในความต้นว่ากระบวนการของมาหรือเช่นคืนนั้นมันมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวทีนี้ผมเข้าใจว่าการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นการเรียนรู้จากความปรารถนาส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็จะนําไปสู่ความรู้หรือความสําเร็จเป็นส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนตัวแต่ผมเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ ที่กำลังคิดกันอยู่เนี่ยนะครับน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนรู้ส่วนตัวทีนี้มื่อตะกิดที่พูดถึงว่ามาลายเซนงคืนผมยกตัวอย่างกรณีที่เราสนใจเรื่องทางประข่ายแล้วก็ไปจัดกระบวนการเรียนรู้เช่ว่าเรียกว่ามลายูศึกษาเนี่ยนะครับเพราะส่วนหนึ่งเกิดความรู้สึกมันก็ว่าเราขาดแคลนความรู้คําว่าเรานี้ไม่ได้หมายจำเพาะเจาะจงว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่มีความรู้สึกว่าประเทศไทยสังคมไทยเราเนี่ยนะขาดแคลนความรู้ชุดนี้ก็าจึงจัดมลยุศึกษาขึ้นที่มาลายเซิงคืนแล้วก็พยายามเชิญคนหลายๆลฝ่ายหลายหลายกลุ่ม ที่จะมีความรู้ในลักษณะที่เอามาเชื่อมโยงกันได้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ว่านี้นะครับมันจึงทําให้เราเกิดความรู้สึกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้แบบนี้แล้วเราจะเป็นเจ้าของความรู้หรือเราจะเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ผมเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับเรามีผู้รู้เยอะแต่เราไม่ค่อยมีความรู้ซึ่งเป็นสาธารณะเนี่ยนะครับเช่นเราอาจจะมีหมอที่เก่งหรือนแพทย์ที่เก่งเนี่ยนะครับ แต่สังคมไทยไม่ค่อยมีความรู้ทางการแพทย์ระ่าดจะมีผู้ที่เป็นเภสัชกรซึ่งมีความรู้เรื่องยาอะไรดีนะครับแต่คนไทยในสังคมไทยก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้เรื่องยาสักเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเราจรึงมกกักจะวิ่งไปหาผู้รู้ที่เป็นบุคคลอยู่เสมอนะครับแล้วสิ่งที่เป็นความรู้นั้นนะถ้าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายที่ดีเชิงธุรกิจการค้าก็จะทําทให้ความรู้นั้นมีคุณค่าผมก็ใจว่าสิ่งที่กําลังคิดกันถึงการที่จะมีระบบการเรียนรู้ที่ว่าเนี่นะครับ น่าจะตั้งอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้ที่ไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวหรือเป็นความรู้ของใครคนใดคนหนึ่งผมผมเลยนึกนึกถึงอันหนึ่งตรงนี้นะครับนิยามของวิทยาศาสตร์แต่ว่าพับเล็กนอยวิทยาศาสตร์นี่เป็นพับลกน้อยแต่มันนัมาทำทำานจนเป็นอาถรรพ์ลเอฟเป็ความรู้ส่วนตัวต้เป็น้เป็นพับเลกนอยคนเข้ามา ร่วมสร้างร่วมพิสูจตรร่วมใช้ได้เดี๋ยวนี้มันเพื่อทําการค้างไงมันจะทําเก็บไว้ต้องเป็นเต็นต์ต้องอะไรอ่ะอย่างพระพุทธเจา้าความรู้ท่านคนพกูดใหญ่แล้วก็ถ้าท่านเป็นเต็นต์นะท่านหมดความเป็นพระพุทธเจา้าเชิญพระเจ้าพูดคิดที่ผมนึงตรงนี้ได้ผมนึกถึงเปรียบเทียบตัวของเองตอนนี้ผมเรียนหนังสือแล้วผมมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเป็นเป็นเพื่อนมุสลิมเนี่ยนะ เพรฉะนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอผ่านมาแล้วผมจึงสํานึกรู้ได้ว่าผมกับเขาไม่ต่างกันคือผมเนี่ยยังมีความสํานึกแบบปัจเจกชนคืออยากมุ่งเรียนให้ประสบความสําเร็จสอบให้ได้คะแนนดีๆและตัวเองจะได้จบปริญญาแต่เพื่อนผมที่เป็นชาวมุสลิมเขามีความสํานึกของชุมชนว่าเขาจะต้องเรียนเพื่อจะเอาความรู้เนี่ยไปใช้กับชุมชนกับการไปทําให้ชุมชนเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขารู้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกเรียนวิชาที่จะ เรียนวิชาอะไรเนี่ยนะครับโจทย์มันจริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาต้องการจะรู้อะไรแต่ก็ต้องการตั้งโจทย์ว่าสังคมเขาเนี่ยควรจะได้รู้อะไรในขณะที่สมมตินะครับพวกเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยรู้สึกเบื่อละที่จะไปเรียนเรื่องวิชาทางพุทธศาสนาดูมันไม่โก้และจบมาก็คงไม่ได้รับการยกย่องเท่าไหร่มีหลายคนที่พอไปเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนทางสายว่าพุทธศาสนาเลยแต่เพื่อนผมชาวมุสลิมก็กลับมีคำศึกก็ต้องมีความรู้ที่อินเดียครับที่อินเดีย เพราะนั้นเราจึงจะเห็นว่าชาวมุสลิมที่ก็ไปเรียนเนี่ยผมยกย่องเขาในเวลาต่อมาว่าเขามีความสำนึกว่าเขาจะต้องเรียนเพื่อเพื่อให้เกิดความรู้ที่มันมีผลต่อต่อชุมชนสังคมเขาเนี่ยและผมเข้าใจว่าตรงนี้เองนะจิตเป็นที่มาของความสำนึกรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันก่อให้เกิดความรู้ซึ่งซึ่งเป็นพลังในการที่เขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เพื่อความสําเร็จถ้าเราถ้าเราจะพูดให้มันเป็น เป็นประเด็นขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็คือหมายความว่าในสังคมปัจจุบันผมว่ารัฐประจัญจะชนนิยมที่มันปรากฏออกมาว่างมากก็คือมันทําให้คนแต่ละคนสํานึกในความเป็นตัวตนและการเรียนหนังสือก็กลายเป็นความรู้ส่วนตัวความสําเร็จก็เป็นความสําเร็จส่วนตัวความดีความงามก็เป็นเรื่องส่วนตัวผมยังแปลกใจมากเลยนะครับกับนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเขารักมากือกับผมดีมากคือเขามักจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งเขาจะมีความรักเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ไม่น่าจะมายุ่งผมเลยบอกเขาบอกไม่ใช่นะความรักของคุณไม่ใช่เรื่องส่วนตัวความรักของคุณเป็นเรื่องวงศาคณาญาตและก็มากมายมหาศาลไม่ไม่มีทางรอกที่ความรักจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะทันทีที่คุณกําลังเลือกใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นแฟนคุณเนี่ยนั่นคือหมายความว่าคุณกําลังหาลูกสะใภ้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณกำลังหาพี่สะใภ้น้องสะใภ้กับพี่น้องคุณหาสะใภ้กับวงศาคณาญาตและที่สําคัญก็คือสิ่งที่คุณกําลังหาเนี่ยมีผลกระทบกับอารมณ์และความรู้สึกของทุกๆคน ผมเองผมเลยยิงไล่เก็ฟังบอกว่าในสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะการเรียนรู้ของผมไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะบ้านผมเนี่ยที่น้องจบมาสักคนหนึ่งถือว่าจบกันทั้งสกุลนะครับเพราว่าจะมีความสํานึกของคนที่เป็นพี่ว่าที่เขาไม่ได้เรียนเนี่ยเขาเสียสละให้น้องเพราะคนที่เป็นน้องไปเรียนหนังสือจบกลับมาต้องสํานึกว่าความรู้ที่ได้มานี่เป็นผลผลิตที่พี่ก็เสียสละให้มาผมเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้แบบนั้นอนะ่ะมันมีอะไรซึ่งอาจจะหดแคบลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นแค่ครอบครัวแต่สิ่งที่เรากําลังคิดผมก็จะเรากําลังจะพูดถึงงความมรู้ขอชชุชน และความรู้ของชุมชนเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาจากฐานของความรู้สึกว่าชุมชนกําลังขาดแคลนอะไรและต้องการอะไรไม่ใช่เราขาดแคลนเนี่ยนะครับผมก็จะเราจะมีจิตสํานึกของการเรียนเหมือนเพื่อนชาวมุสลิมของผมที่เขามีจิตสํานึกที่จะเรียนอะไรและก็มีความสรู้สนกับว่าเขากําลังทําหน้าที่ที่เหมือนกับว่าเป็นผู้เรียนเพื่อจะรู้แทนแทนคนอื่นผมเคยทดลองในห้องเรียนผมนะครับโดยมีข้อกําหนดง่ายๆอย่างนี้ว่าใครที่มาเรียนหนังสือกับผมเนี่ย ถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยแจ้งให้ผมทราบและคนที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นตัวเองก็ได้เป็นแฟนก็ได้นะครับแล้วไม่แฟนมาเรียนก็ได้ก็ได้ <c oughs> ก็ได้แต่ต้องกลับไปไปบอกไปเล่าอะไรกันเนี่ยนะครับและผมกลับพบว่ามีนักศึกษาหลายคนซึ่งตัวเขาเองเขาไม่ค่อยูว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางเดนโชคดีไปมีแฟนเป็นนักศึกษาในคณะแพทย์บ้างในคณะวิศวะบ้างนะครับแล้วเขาก็ให้แฟนมาเรียนแทน <c oughs> แล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> เพราการเรียนแทนคนที่มานั่งเรียนก็เรียนในสำนึกว่าเขากำลังเรียนรู้อะไรเพื่อคนที่เขารักเพื่อคนที่เขารักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมดีมากเลยและสุดท้ายทําไปทํามากลายเป็นว่าเขาลงทะเบียนคนเดียวก็จริงแต่สุดท้ายเขาต้องมาเรียนกันทั้งคู่เรียนกันทั้งคู่ต้องมีความรู้สึกที่ดีๆขึ้นป ร, ระหยัดไปเลยครับประหยัดกันไปเลยแล้วลผมคิดว่าการเรียนรู้ว่าว่าคือผมเคยคุยกับนักศึกษาคณะแพทย์หรือคณะวิศวะที่ผมเคยคุยเป็นกรณีส่วนตัวว่า เป็นยังไงบ้างทีมาเรียนเขาบอกว่าเขาก็มีการคิดตอนแรกนึกว่าตลกตลกที่แฟนไปบอกว่ามาเรียนแทนได้ด้วยและผมก็คิดว่าสิ่งนั้นแล้วผมบอกคุณรู้สึกยังไงเขาก็บอกเขารู้สึกแปลกๆแต่พอมาเรียนแล้วเขากลับพบว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีผมบอกว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดคื อ, ต, อต้องการจะบอกว่าถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมาเราทําอะไรดีๆกับเขาเนี่มันจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ ถ้าคุณไปเรียนเองคุณอาจจะมีความูลมอนก็ว่าไม่ต้องเรียนมากก็ได้แค่นี้คุณข้สอบได้เองอยู่แล้วแหละแต่พอเรียนให้แฟนแล้วคุณนึกว่าแฟนเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาต้องฟังให้ดีความละเอียดและไปอธิบายละเอียดเพื่อให้เขามาตอบข้อสอบที่ดีได้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจวันนี้เป็นความรู้ที่ดีและคุณไม่ถูกกดดันก็คุณไม่ได้เรียนเพื่อจะได้เกรดคุณเองแต่คุณเรียนเพื่อให้คนอื่นแต่ผมเข้าใจว่ากระบวนการนี้ถ้าเราจแชร์กับชุมชนเนี่ยนะความสํานึกว่าเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อเพื่อใรรรกก็ไไมมู่่่่้้้ททีีเเาาาันนนนชชุจะดผพ ข้ามพ้นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราสเสด็จเออกาะมาพิเนสกรมเนี่ยท่านนั่เล่กนึกถึงความทุกข์ของสรรปัสสัตนะและท่านก็เลยจึงคิดว่าสิ่งเราเนี่ยจะเป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือสันปัสสัตว์เพราะในคติของพุทธศาสตร์สนามหายานผู้ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จึงมีสํานึกของการที่จ ะ, สะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือสัปรปัสสัตว์ในข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์แต่กับที่เป็นโลกปัจจุบันเนี่ย มันทำให้คนหมองสั้นสันผมอยู่กันนอกเด็กๆเนี่ยเราอยากกินแต่มันจะกินข้าวหลามเนี่ยอุ้ยช่วยกันพ่อไปตัดไม้ไผ่คนนี้แช่ข้าวเหนียวคนนี้ปอกมะพร้าวทาอะไรช่วยกันลุมแล้วก็ตอนตอนเผาเข้าวหลามนี่ก็สนุกมากนะทุงว่าเนี่ยมันเป็นความสนุกแต่ดีนี้ถ้าคนในกรงเนี่ยอยากกินข้าวหลามก็ยิกตังแล้วก็ได้ข้าวหลามมากินอืมันหมดความสนุก ในชีวิตแล้วมันทำไมมองสั้นสมมต es, lady, people, ิน้ํานี่ก็อาจจะเห็นแต่กอบน้ำแต่ถ้าเราเรียนรู้ฝึกจนเคยว่าเอออะไรแต่หลายเรื่อเชื่อมโยงน้ําเนี้มันเชื่อมโยงกับอะไรบ้างเชื่อมโยงกับีเหมฆเชื่อมโยงกับป่าเชื่อมโยงกับต้นไม้เชื่อมโยงและอะไรเป็นหมดเห็นอะไรก็เชื่อมโยงทุกทีเห็นข้าวกินข้าวนี่ก็ุดข้าวนี่มันเชื่อมโยงกับชาวนากับป่ากับต้นไม้กับเส้เรือนกับพืชผงที่ที่อยู่ในดิน เห็นอะไรก็เห็นความเชื่อมโยงไปหมดไอ้ความรู้สึกมันจะหนึ่งมันมีความกระตันอยู่กตันอยู่ต่อสรรพสิทธอยู่ตลอดเวลาและอย่างมันเกิดความเป็นอิสระเพราะเดิมมันถูกบีบคั้นอยู่ด้วยความไม่จริงความไม่จริงคือแยกเป็นส่วนๆความจริงคือมันเชื่อมกันทั้งหมดดังนั้นถ้าเราคอยฝืนคอยฝืนให้เห็นความเชื่อมโยงอยู่เสมอ ขณะนี้เราเรียนวิชาหึงเป็นวิชาวิชาแยกๆกันไปเมื่อกี้ฟังแล้วอือจะขออนุญาตจะเอาความคิดตรงเนี้ยไปใช้จริงๆอับผมอยาไปใช้แต่ไม่จะไปต้องเลี้ยงนะ <c oughs> ใครก็ได้ที่เป็นคนที่คุณอย่คุณอ่า รักหรือไว้ใจหรือมาเดทแทนด่าเพราะผมอยอมไปใงจริงในะนี่พี่ใหญโทรพีน เ, เองเลยนะฮะจะลองวิธีนี้ดูก็<ต><อ>เป็นเป็นวิธีคนุคจใช้ได้เนักเนนนี้อ น, นุญาตอยู่แล้วในรายนี้คือคือถ้าจะไปเข้าฟังเมื่อไหร่ผมไม่ต้องไปต้องไปขอเข้าับผมอยู่เรื่อยๆเขาเขาเข้าไปอยู่ในคลาสสนอยู่เรื่อยๆ <laughs> แต่ตอนนี้จะเปิดกว้างว่า เออเอาสามีภรรยามาก็ได้มาแทนก็ได้เอาลูกมาก็ได้จามั่นใจว่าลูกจะฟังรู้เรื่องอะไรเอาคนเออผมว่าน่าสนใจนะโดยไม่ต้องพูดเนี่ยมันสอนเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเชื่อมโยงเรื่องเรื่องที่ความรู้มันเป็นสาธารณะแล้วก็ถ่ายทอดต่อโดยต้องพูดอะไรมากเนี่ยก็อย่างนี้คือคือวิธีการที่ผมว่าถ้าทายมาผมอยาไปใช้จริงเดี๋ยวกลับไปพวกนี้มีอะไรเดี๋ยวพวกนี้เริ่มเลย ฝท <c oughs> ั้งกลุ่มเชียงรายตั้งจันทบุรีที่ตั้งระวังอย่างเวลาเราทําอะไรดนะีคนมันจะมาบริโภคเรามาคอนซูมคอนซูมคอนซู ม, ซมแล้วมีความสุขก็อยากคอนซูมใหญ่ที่จริงเขาควรจะต้องไปได้ความบนานันดาลใจไปแล้วไปสร้างตัวเขาสางเองขึ้นผมเคยวิจารณ์ว่าคนเนี่ยบริโภคประําผิด เขาเขียนไม่รู้ท่านกรอเปาเพราะความสังเกตใพฤติกรรมของศรลาอย่างถือว่ารู้จักท่านอย่าเอาท่านมาองอนท่านมางานมันเกิดวันเกษียณนายกแม่ตายอะไรก็และแล้วก็ให้ท่านพูดแล้วก็ถอดเทปให้ท่านแก้ท่านก็เดินสะสมขก็เลือดแล้วท่านก็แก้ละเอียดไปดูเนี่ยคนมันบริโภคท่านคือเราถ้าเรารู้อะไรดีเรา ได้ความบันดาลใจามาแล้วเราต้องสร้างสร้างเพิ่มพูนขึ้นไม่งั้นก็บริบริโภคนั้นจะซ้ําๆไงบริโภคอีกพอมันหมดแล้วบริโภคซัำๆทีนี้คมคิดว่าสําคัญเนี่ยพอเรามีความรู้เนี่ยต้องส่วนบริการก็บริการไปเขาอาจจะเช่นชมนู่นีมีความสุขได้ความดีๆแต่ว่าก็ก็อย่างนั้นนะก็มีความสุขไป กินได้บริโภคความดีๆก็มีกว่าสุขต้องคิดถึงใอ้ระบบที่จะสร้างลูกสิธป์ลูกสิลป์ไว้เรทุ่มเทกับเขาจะเป็นปริญญาโตปริญญาเองให้มันมีจำนวนคริติคัลจำนวนแล้วเขาสามารถจะอินเทร์กันเองได้ไปค้นคว้าเองเอามาแลกเปลี่ยนกันครูก็คอยให้แต่เดตไลน์ให้อะไรกันบ้านอะไรไปง้แต่ว่าสร้างลูกิลที่เก่ง ผมดูอย่างพระธรรมจิตท่านไม่มีตัวนี้น่าเสียดายท่านไม่มีซิสเต็มที่จะแต่ว่าท่านกว้างเป็นพิสมิลที่เยอะมากคนที่มากบริโภคเป็นโอร์ทถามันมีลุกเซ็ตท่านที่เก่งๆสร้างขึ้นมาได้กี่คนเนี่ยรู้สึกไม่มีนะเดวนี้พราะฉะนั้นกลุ่มเชียงรายก็ตามกรมอาจารย์ุมพลก็ตามเนี่ยอาจจะต้องดูแล้วก็มีการจัดการมุงซหน่อยเพราะมันมีโอกาสแหละที่จะไม่เอ๊ะทำไม จะได้คนมาเรียนเรื่องเรื่องบริการก็บริการไปโอเคไม่ได้หว่าแต่ว่าทําไมจะได้คนที่เก่งๆมาสักจํานวนนึ่งแล้วเราพุ่มเทกับเขาแล้วเขเก่งขึ้นมาเก่งกว่าเราอีกผมทําอะไรเนี่ยผมจะหาลูกศิษย์ที่มันเก่งกับกับผมมาแล้วก็ผมจะปล่อยปล่อยดังนั้นผมก็อยากให้ทำอย่างนันด้วยอย่างทารัสเมียเนี่ยผมทำก็จะมีชื่อเสียงไปในโลกผมก็ไปเอาหมอสุดท้ายจากเชิงใหม่ เดีเขีชื่อเสียงมากกับาผมีกทุ่คนรบอะไรผมไม่ทำทําผมจะย้ายไปทําอื่นผมกลับจากนอกมาเนกึกว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรักษามะเร็งเลืดเลือดพอเพอที่ไม่ดีเดี๋ยวคนมาติดผมผมก็จะไปอุปโลกคนให้มักนกบผมคนจะได้คนจะได้ติตดเขาใช่ไ ม, มติดผมต้องต้ออาจจะตั้งิดนี่านะ ความหนึ่งอยากไว้ทํากันมาวิไลหรือ i, ทําอะไรกลุ่มกลุ่เชียงรายจะมีค่ามากแต่แต่ว่าทำางให้มันมีลูกศิษย์สมมตุติเนี่ยมันมีคลาสหนึงส <c oughs> มมติเป็นปิญญาโทเนี่ยนะสักสิกว่าคนมันได้เป็นคริสเตียนแมนที่เขาเจออินเทอร์เน็กันเองเข้าไปค้นกว้าเขามีกลุ่มที่จะเรียนรู้จากกันอาจารย์ก็คอยฟังเขาบ้าแนะนําบ้างเล็กน้อยเรียนรู้จากเขาบ้างแนะนําก็บ้าง แต่ว่าถ้าเขาปูเขาเก่งขึ้นมาปัญญาโทรุร่นนัดสิบคนบางคนทําปัญญาเองดูไว้อะไรตัวหรือจะไม่เป็นปัญญาอะไรแต่ว่าเขาเขาเขาเก่งขึ้นเมื่อก่อนซึ่งผมพ ย, ยายามําไคยเล่ฟังแล้วเปลวไปเรื่อยคือตั้งคําถามให้ทำไมเัาจะสร้างป้าที่เก่งๆเพราะป้าเรามีทั้งสองแสนห้าหมื่นลูก แล้วก็ได้ยินอยู่สององค์นะจาันทุตธากตะคำปิโยใกให้สอนใครก็ไม่กก้ได้ที่ไหนไม่เหมือนการที่เบตถ้าที่เบตไปในคนได้ประโยชน์ก็มาตั้งโจทย์ว่านี่ทําไมการศึกษาขรงพระนี่น่จะมีอะไรคราวนี้นก็ไปคุยที่สม่มอบท่านจันพุตธาอย่างยู่ร่วมคุยท่ า, ทานจันพุทธาตะคำปิโยกจันสุลัพหอแต่ได้ล็อกไม่ได้สี่คนเนี่ย พระจันร์สุรักษ์ดอมิเนนหมด <c oughs> แต่ร้องไม่ได้เลยนะอีกคราวหนึ่งไปไปหาพระตัรพิดกที่เขาเชียงเสาบนเขาจะไปคุยเรืเนงเีการศาาึกาาบอกให้ประชาชนตาคุบัตรจัดเทรดไปให้ประช า, ธธาธธกระดันไปบอกผู้คนเยอะอทุกคนไปด้วยมิชชั่นของตัวเองไม่ได้ไปมิชชั่นร่วมกันเรื่องการติดษาของพระหรอกก็เฟล อีกครั้งอังเอาอีกละไปวัดมหาธาตพระธรรมดีดกอยู่ด้วยมันจะไปคุยกันไห้การศึกษาขนนองศพดีๆนี่มันคืออะไรนะ่ อ, อไปถึงเฮานักข่าวเดินเต็มห้องหมดเลยเพระาตายอละวจิตอย่างจะคุยเรื่อง ย, ยากๆมันทั้งเย็นเงียบลึกๆทำไมนักข่าวหมดเต็มป่ากลว่าพร ะ, ประเป็นคนไปบอกพระอยากดัง <c oughs> ไปเปลอีก <c oughs> จะกระตังบัติมีก็แ <c> ค <ười> ่หลิวจานมันส่งมันดีๆนั่นเท่านั้นก<ห>็ขอบคุณอาจารย์ในประเด็นนี้ต้อมีการจัดการครับขอบคุณอาจารย์มาครับก็ในในอย่างไรก็แบบคนตอนนี้ก็มีเราเราเราก็แส่เขาว่าเป็นเด็กฝึกงานอยู่สองคนแต่จริงๆก็ไม่ใช่เด็กฝึกงานก็โตกัตบพึ่งนี้เขาก็มาอยู่ได้สี่เดือนครับเขาก็พอ เ, เริ่มฝึก กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เวลาทำเวิร์กช็อปเขาก็จะไปด้วยปเป็นผู้ช่วยก็<ม>จะตามไปทุกเวิร์กช็อปแล้วก็แล้วก็เขาก็จะสามารถที่จะนำเวิร์กช็อปบางเซกชันของเวิร์กช็อปเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นครับตอนนี้พึ่งพึ่งนี้อยู่มาสี่เดือนนี่พึ่งก็สามารถนำเวิร์กช็อปได้บางส่วนแล้วก็ทําได้ดีด้วยอะไรอย่านี้ก็จะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็กําลังคิดว่าจะมีมีน้องมาใหม่สองสามคนครับที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่จะอยากจะ เรียนรู้ที่จะเป็นกระบวนการ ก, ก็มีกระบวนการเพราะว่าเพราะงานรูช็อปมันมีเยอะแล้วก็สามารถที่จะนําพาผู้คนไปเรียนรู้ร่วมกัน<ม>ไปเรียนคือเมือ่อเรามีขบวนขบวนการหลักสองคนเนี่ยเราก็จะผู้ช่วยเป็นสักคนหรือสองคนเขาจะเขาก็จะเห็นกระบวนการว่าทํำยังไงเราก็จทุกครั้งเราเราจะเรียกว่ า, ม, ามหาวิทยาลัย ร, รถตู้อาจารเพราว่าเวลา<ป>นั่งรถตู้ไปนั่งรถตู้ไปก่อนไปทํางานเนี่ยก็จะมีเพราะเพราะเวลาไปทําในรีสอร์ทมันก็จะต้องนั่งรถตู้ไปสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะคุย ก็จะเป็นระบวนการเรียนรู้ในนั้นว่าคิดเห็นเห็นยังไงเห็นกระบวนการเป็นยังไงเห็นผู้คนเป็นยังไงแล้วก็ใครคิดว่ายังไงก็เป็น d i a l o g ในรถเป็น co-p ในรถนะครับพอทำเสร็จนั่งรถกลับมาก็เห็นอะไรเรียนรู้อะไรแล้วก็คิดว่าเซสชันต่อไปควรจะทําอะไรก็ให้ทุกคนแชร์แล้วก็ไม่มีข้อสรุปครับว่าใครจะทําอะไรก็เพียงแต่ว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการหลักที่จะหยิบเอาหรือว่ามองเห็นความปิ๊งแวบตรงไหนเอามาใช้ คือเป็นความคิดเป็นคอลเลกตีที่เกิดขึ้นว่าทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วก็ให้ในเซสชันนั้นใครมีหน้าที่ตัดสินใจก็ให้ให้กระบวนการหลักเป็นเป็นคนตัดสินใจว่าจะจะจะเลือกใช้กระบวนการแบบไหนในการที่จะจัดบวนการเรียนรู้แบบนั้นครับแล้วก็เมื่อสักครู่ฟังอาจารย์ประมวลพูดถึงเรื่องของชุมชนนี่ผมผมผมผมมองมองเห็นประเด็นที่มันมีความแตกต่างระหว่าง ไอ้คว e ่าชุมชนกับคําว่าเครือข่ายคือถ้าถ้าเป็นชุมชนเนี่ยเราเหมือนกับที่จ่าบอกคือมันมีคือผมไม่รู้นะทุกคนมันมีมันมีความผูกพันมันมีความผูกพันเหมือนกับว่าิี่จันบอกว่าสมมติถ้าเป็นความรู้เพืชุมชนหรือความรักเพื่อชุมชนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะหาความรู้เพื่อให้ให้กับชุมชนอันนี้อันนี้เป็นชุมชนแต่ถ้าเป็นเครือข่ายนี่มันเหมือนกับว่าเราคบกับเขาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของเรา มันเป็นผลระโยชน์เออสมมุติเป็นคือผมมีความรู้สึกความลึกซึ้งระหว่างเครือข่ายกับชุมชนอย่างแตกต่างกันคือว่าเครือข่ายมันเหมือนกับว่าเราเราเราเราก็มาเจอกันผิวๆแล้วเราก็เออใครเอื้อประโยชน์ใครแต่ว่าจริงๆหลักๆมันคือเป็นเป็นประโยชน์ของเราในการที่เราคบกับคนคนนี้อะไรแบบ น, นี้ครับแต่ถ้าเป็นชุมชนนี้เราเราจะมีความรู้สึกว่ามันก้าวทับไ ป, ไปคือคือเหมือนว่ามันมันต้องมองเห็นประโยชน์ของเขาาไปอามอทัดดมัันนขาแต่เจ้ง อาเจกับบุคคลก็สําคัญกลุ่มกลุ่มที่เคยจุ่มจอนรวมตัวรวมพิจารณาอาจจะน้อยคนอาจจะหลายคนแต่แล้วก็มีเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนี่เป็นเน็ตเวิร์กระหว่างบุคคลกับบุคคลก็ได้บุคคลกับกลุ่มกลุ่มกับกลุ่มก็ได้ใกล้ก็ได้ไกลก็ได้ไอ้เหมือนโครงสร้างสมองโครงสร้างสมองเนี้มันจะเป็นเป็น Network เน็ตเวิร์ก เน็ตเบอร์แล้วเน็ตเบอร์มันจะใกล้กันใกล้กันแล้วตัวหนึงเนี่ยเซลล์สมองตัวเนี้ยอาจจะเป็น Number ของหลา ย, ายเซอร์กิตหลายเซอร์กิตเออหลายเน็ตเบอร์นั่นก็จะไปตัดมันอย่าไปตัดมันออกชุมชนก็คือผมใช้ง่ายๆคือการรวมตัวร่วมคิดคร่วมทำอาจจะมีติดพื้นที่เช่นหมู่บ้านนีลยหรืออาจจะไม่ได้ติดพื้นที่ แต่รวมตัวกันในเรื่องทำเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้ติดเป็นที่มันก็เป็นชุมชนรวมตัวร่วมคิดรวมใจภาษาอังกฤษเรียก ว, ว่า community community ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ใหญ่อย่างยุโรปเปียน community ของเราเรียกประชาคมถ้าใหญ่เรียกประชาคมยุโรปถ้าเล็กลงมาห น, น, น่อยอนมริกา artificial นะเล็กลงมาหนา่อยเราใช้คำว่าชมุมชน เราอยากเห็นชุมชนเกิดขึ้นทั่วไปเกิดขึ้นในวัดเกิดขึ้นในหมารหรือไรเกิดขึ้นในบริษัทเกิดในครอบครัวบางที <c oughs> ใ, นในครอบครัวก็ใจความเป็นชุมชนที่จิตแพทย์ะ <c oughs> จะกรอกเพง่งกัรเขียนเรื่องนี้ไมนเลิกเลยแล้วก็คืนเก่าเดิมจิตแพทย์นี่ก็ต้องรักษาคนอเมริกันที่มีความทุกข์เยอะรักษาไปรัจษาไปรักษาให้ไหวยเยอะเหมือนกัน ต้องทำกลุ่มเตอราปี้ทำกลุ่มเทอราปี่ก็ไม่ไหวมันเยอะมากนะถ้าต้องส่งเสริมความเป็นชุมชนคอมมิเนตี้บิลดิ่งจะทำอะไรแต่ถล้วคนมีความสุขที่ระธานทนี่คอมมนตี้ผมชอบยกตัวอย่ผู้หญิง ก, ก่อนเด็กที่สามปีชิดสายหางแต่ไม่สบายได้วหกเรื่องในการมีใจสั่งปวดท้องเอ่นเหนื่อยหายใจไม่ชั่ว้อง ตะลังก์จะไปร่วมในกระบวนการชุมคนเนี่ยเกิดความสุขเกิดความสุขเชื่นตัวไออาการโรคนี่หายไปหมดในความสุขสกอตเท็กถึงบรรยายว่าความสุขมันกระดุดบรรลุนิพพานให้ดันแก่ความเชุมชนเกิดกําลังนึกถึงเรื่องเครือข่ายกระบวนก่อนยังนึกแบบที่ว่างานอีก สปีข้งงางหน้าจิตววัตรหรือว่าจิตปัญญาเองก็จะได้มีพุนที่ตรงนี้ด้วยก็ยนะังคิดอยู่ว่าอาจจะทําเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เกิดครีนิ่งเซนเตอร์นอกเหนือจากตรงศูนย์จิตปัญญาในมหิดลก็อาจจะมีสนับสนุนของทางอาสมศิล์นเซมหรือว่าเชียงรายแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสกู๊ปแบบเรื่องนี้โดยเฉพาะทําทแต่ละที่แต่ว่าให้โยงถึงกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟัง อาจารย์ประมวลยังนึกถึงเรื่องความรู้ที่เป็นความรักอะไร เ, เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่เลจิวิวัตน่าจะทำปาร์ตี้เชิญครอบครัวมารวมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หรืออย่าง ใ, ใจงของกลับมาเรื่องการปรึกษานะฮะว่าช่วงก่อนเดือนที่แล้วเนี่ยได้ไปคุยกับคุณเดวิดสปิเลนดด้วยก็ยังนึกถึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการสั่งสมต้นทุนทางจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยของ แต่ละคนเนี่ยดูเหมือนว่าอาศัยคู่รู้เป็นหลักด้วยแล้วเรื่องคูรู้เนี่ยก็ค่อนข้างอิงมากนะกระทั่งการศึกษาแบบอินเดียแล้วพอย้อนกลับมาดูของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนเนี้แบบ เ, เราขาดโอกาสเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะพอบอกว่าเราต้องการหาคู่รู้เนี่ยเราไม่รู้จะหาใครเป็นต้นแบบคือถ้าหาเจอก็โชคดีถ้าหาไม่เจอก็คงจะต้องเอาแบบดารา น, รรนักร้องเศรษฐีนักธุรกิจอะไรเป็นต้นแบบมาเนะี่ย แล้วก็แต่ทีเนี้ยเมื่อตอนเที่ยงก็ได้คุยกับคุณหมอวิทานว่าครูรูของเราเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วทีเนี้ยพอมาโยงเข้ากับเรื่องจิตปัญญาว่าเออเราจะทําในที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคารูเนี่ยเป็นแฟกเตอร์สําคัญในการที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปสู่เป้าที่เราประสงค์เนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า อย่างจากประสบการณ์เนี่ยของอาจารย์ประมวลที่แบบอย่างจากเรื่องการเดินก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีลักษณะว่าอะไรที่พอจะเป็นเครื่องมือเนี่ยนะคะคือนอกเหนือจากความเป็นครูรู้แล้วความเป็นครูของอาจารย์ที่แบบพยายามหล่อล้อมลูกศิษย์แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเขาอะคะคือมีมีเรื่องอื่นอีกไหมพราะไม่อย่างนั้นตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้เราเห็นแต่แตคําว่าครูรู้อย่างเดียวเลยที่จะนําพาศิษย์ไปยังหนทางให้พ้นฝั่งได้ คือประเด็นสําคัญผมเข้าใจว่ามันอยู่ตรงที่ความเป็นมนุษย์ที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่ถ้าความเมื่อ ก, กี้เราพูดถึงปัจเจ ก, กถ้าความเป็นมนุษย์มันได้เป็นปัจเจ ก, กคือมันเป็นมนุษ ย, ยชาติคําถามคืออะไรคือสิ่งที่ยึดโยงมนุษย์แต่ละคนเป็นคนๆเ น, นีมันยึดโยงเป็นมนุษ ย, ยชาติได้ผมก็เห็นว่าความความรักถ้าเราใช้ภาษาไทยไง่ายๆเนี่ยนะครับแต่ความหมายขงหมายความว่าเมตตาธรรมการุณยธรรมหรือมุทิตาธรรมที่มันงอกงามอยู่ในใจคนเนี่ย ถ้าจะนั้นเวลาเราพูดถึงครูหรือครูในความหมายที่มีความกลูกโยงกับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือกําลังจะถ่ายโอนหรือจะเรียกว่าอะไรนะัถ่ายทอดในสิ่งที่มันเป็นชุดความรู้ซึ่งผมก็จะว่าความรู้ที่ว่านี้มันไม่ใชิโนโอฮาว์ที่มั น, เ ป, นเป็นสําเร็จรูปที่ว่าเมื่อเราถ่ายไปแล้วมันเอาไปบันทึกไว้แล้วก็วมีใครมามาศึกษาก็ได้นะครับ อ, อย่างเช่นในคติเขาอินเดียเนี่ยนะครับการเรียนรู้อะไรถ้าไม่เคารพครูวิชาการนั้นก็เสื่อม แม่รู้ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่ไม่เกิดความสํานึกในในในความเป็นครูผู้ถ่ายโอนมาเนี่ยนะครับความรู้นั้นก็จะเสื่อมผมเข้าใจว่าความสําคัญก็คือการที่เรามองเห็นสิ่งที่เรียกนับความรู้เป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องอันในจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับมาแล้วเราก็ถ่ายไปเนี่ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตรงนี้ถามว่าใจสําคัญคืออะไรก็คือความสํานึกที่เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับพ่อแม่ครับเวลามีความรู้สึกถ้าลูกกังวล เปล่งตัวต่ออนาคตที่ลูกจะลําบากพ่อแม่จึงยินยอมที่จะทําอะไรมากมายสารพัดนะครับทั้งตัวท่านเองมีอายุเหลืออยู่ไม่นานแล้วก็ได้แต่ท่านทําอะไรเพื่อที่จะให้มันมีผลนานนับเป็น10เป็น100ปีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสํานึกอย่างนี้ผมก็จะว่าความเป็นครูก็คือความหมายที่จะสํานึกถึงความเป็นมนุษย์ที่จะพึงมีและพึงขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นพลังที่จะต่อสู้ถึงนั้นได้ คือตรงนี้ผมเข้าใจว่าพอเราทําให้สิ่งที่ได้ความรู้มันเป็นเป็นโน้ตเฮาลเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นมันเหมือนกับเวลาเรามีเงินตราเป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับพอเงินตราเป็นสื่อกลางแล้วที่อาจารย์หมอประเวศพูดมา่มาตอนเช้าและตอนบ่ายนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันทำให้ความหมายของความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ที่คนกับคนละมันไปผูกพันกันโดยใช้งเงินแทนเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินเนี่ยนะครับเมื่อผมเอาเงินเสรกระเป๋าและเดินทางไปผมไม่จําเป็นต้องไปสํานึกรู้าอาหารมือนี้ใครทํา และผมก็ไม่จําเป็นต้องมีความรู้สึกผูกพันว่าาที่กินไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องนึกถึง ใ, ใครบ้างผมมี เ, <ล>เงินที่จะซื้อหยิบเงิน ก, ก, ก็ได้กินใช่หยินก็ได้กินมันสั้นแต่วันนึ่งว่าผมไม่มีเงินไปเนี่ยนะครับผมกลับสํานึกว่าเพราะคนคนนั้นเขามีเมตตาธรรมอันสูงส่งเพียงแค่มองหน้าผมศกตาผมก็รู้ว่าผมมีความต้องการอาหารแล้วเขาก็ให้อาหารผมด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากไปกว่านั้น เพราะฉะนั้นในกรณีที่เรามีความสัมพันธ์กันถึงเรื่องความรู้นี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่เรียกว่าครูหรือครูสําคัญเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเอาเงินมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนชุดความรู้แต่มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ปลูกโยงกันระหว่างมนุษย์ที่จะต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดที่พึงจะเป็นไปใ น, ในใจิตใจมนุษย์ให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเหตุผล ผมเข้าใจว่าที่มนุษย์เรามีพลังอยู่ได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะครับคือเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็พบมนุษย์ที่มีเมตตาทํากับเราแล้วนั่นคือหมายความว่าพบแม่พบพ่อนะครับและโดยที่ไม่ได้สั่งสอนอบรมอะไรเลยเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ากระบวนการที่เราอยู่บนโลกใบนี้มันพบอุ่นน่าอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นในความสํานึกแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันมันทําให้เกิดความหมายของคําว่าคุรุหรือครูขึ้น ผมคิดว่าในกรณีที่คนเกิดมาแล้วได้สัมผัสอะไรที่มันรุ่มนวนที่มันเนี่ยนะครับผมเคยไปฟังคุณหมอที่โรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าเพื่อนผมซึ่เป็นอาจารย์มีแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียแล้วสามีก็ไม่สามารถฟังคุณหมอพูดอธิบายได้ทีนี้คุณแม่ใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าคลอดเป็วิธีภ่าตัดพอคลอดเสร็จเขาไม่สามารถลุกจากเตียงได้เลยทีนี้ที่โรงพยาบาลนี้มีข้อบังคับว่าจะต้อง ให้ลูกดื่มนมแม่ทีนี้เพื่อนผมเขายังไม่มีน้ํานมเพราะฉะนั้นหมอต้องจัดอบรมให้กับแม่ที่มีปัญหาเนี่ยทีนี้ผจะทํำยังไงละแม่ก็นอนอยู่บนเตียงพ่อก็ฟังไทยไม่ได้ผมเลยต้องไปนั่งฟังแทนก็ไปเรียนรู้แทนมาที่วาเนี่ยนะครับลักษณะที่ผมเป็นนั่งฟังที่คุณหมออธิบายให้ผมฟังเนี่ยโอโ้ดีมากๆเลยดียิ่งกว่าพระเทศตะไคร่องเลยคือคุณหมอบอกว่ามีเหตุจําเป็น2ประการที่จะต้องให้คุณแม่ี่ให้นมลูกประการที่1 น, นะครับ เด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยนะครับถ้าเขาดูดนมจากหัวนมที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยบริษัทผลิตออกมาให้พอเหมาะพอดีกับปากของเด็กอยู่แล้วเพียงแค่หยดเขาเ้าไปในปากและเด็กออกแรงนิดนิดหน่อยหอยก็มีน้ํานมไหลเข้าปากได้เลยและถ้าเป็นอย่างนี้จะทําให้เด็กเนี่ยนะครับเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันง่ายนะครับมันง่ายที่จะได้กินที่จะได้ดื่มและก็ไม่มีความเพียรพยายามอะไรเป็นการ ที่แย่มากก็เด็กเริ่มต้นในชีวิตของโลกใบ น, นี้ด้วยความเข้าถึงง่ายๆเนี่ยนะครับอันที่สองเขาบอกน้ํานมที่ออกมาจากเต้านมของแม่เนี่ยเป็นน้ํานมที่ไม่มีรสชาติไม่มีรสอร่อยแต่น้ํานมที่ที่เขาขายในท้องตลาดที่ให้เด็กดื่มเนี่ยมันเป็นน้ํานมที่เขาทาการศึกษา ว, วิจัยแล้วว่าเด็กมีความชอบในรสชาติแบบไหนอย่างไรเขาจึงตติดหวนาน แล้วถ้าเด็กไปดื่มอย่างเนี้ก็จะติดตรสชาตินั้นแล้วก็จะปฏิเสธน้ำนมจากแม่เพราะฉะนั้นก็จึงบอกว่าภายใน48ชั่วโมงเนี้ยถึงแม้ไม่มีน้ำนมก็ไม่ต้องกลัวเพาเด็กอยู่ในคันแม่แมสะสมอาหารไว้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้แม้จะไม่มีนมถึง48ทีิบาท48ชั่วโมงเนี่ยครับผมเพิได้ความรู้โอ้โหผมกลับไปอธิบายให้คุณแม่ฟังดีกว่าเดิมอีกผมบอกว่านี่เป็นโอกาสอันเปิดเผยแล้วที่เราจะทําให้ลูกของเราเนี่ยได้สัมผัสกับบรมธรรม ถึงตั้งคุณพันอาจารย์คุณธรรมได้เคยว่าไว้นะครับว่าเด็กสามารถที่จะสัมผัสรู้ถึงบรมธรรมได้นะครับก็ชีวิตเนี่ยมันจะต้องสัมผัสถึงเหล่านี้เพราะต้องกิตใจเข้มแข็งและอดทนที่จะให้ลูกเนี่ยมาดูดจากเต้านมนี่แหละถึงแม้จะไม่มีน้ํานมเลยก็เป็นการฝึกความเพียรไปยาวยาแม่แม่จะกลัลูกหิวก็ไมกลัวลูกหิวใช่ไหมลูกหิวแม่ก็ลูกเป็นไม่เอาก็ลูกหิวแล้วลูกร้องแม่ก็กลัวสะเทือนใจอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่ากระบวนการที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะครับที่พูดถึงครูเนี่ย มันก็ต้องมีความสำนึกรู้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วด้วยการเล็งเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นความดีงามที่เราจะต้องทําให้มันเกิดถ่ายจากเราไปสู่ชีวิตใหม่ได้ถ้าเป็นกรณีครูก็คือกับศิษย์ผมก็จะว่าในกรณีนี้นคำว่าครูมันจริงมีความหมายที่สําคัญในระบบการเรียนรู้ครับเพราะพยายามจะเรื่องการศึกษาอันนี้มันนานต้องที่ว่าการศึกษาของไทยเนี่ยในร้อยกว่าปีที่ผ่านมันจับผิด แล้วทให้เกิดปัญหามากเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีสองประเภทใหญ่ๆความรู้ในตัวคนกับความรู้ในตำราทีนี้ทั้งสองนันเนี่ยมีความสําคัญแต่ว่าที่มาและความมายนี่ต่างความรู้ในตัวคนเนี่ยได้มาจากประสบการณ์ชีวิตได้มาจากการทํางานนะครับกรณทีนี้ถ้าบอกว่าความรู้ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตเท่ากับว่ามันอยู่ในฐานวัฒนธรรม วิถีชีวส่วนความรู้ในตำราเนี่ยก็ไปเอามาจากต่างประเทศจากการวิจัยจากอะไรอาจจะเรียกว่ามันอยู่ในฐานวิทยาศาสตร์ทีนี้การศึกษาของเราเนี่ยไปวางไว้ว่าเอาความรู้ในตำราเป็นตัวตั้งและทิ้งความรู้ในตัวคนไปนเลยจริงๆแล้วมันควรเอาความรู้ในตัวคน เ, นเป็นฐานแล้วความรู้ในตำรามาต่อยอดตกแต่งหลังเสร็การศึกษาของเราเนี่ยเอาความรู้ในตำรา เป็นฐานเลยซึ่งผิดมันทำให้ขาดจากฐ า, านวัฒนธรรมไปทีม่าจะแปลมานะจากที่ไหนไหนไหนความรู้ในตัวคนเนี่ยมันมาจากฐ า, านวะัฒนธรรมแล้วก็กู้ตรมานานละนักการศึกษาก็พูดว่าคนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดในฐานวัฒนธรรมนะแต่ว่าไม่พยายมตีตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ันความรู้ในตัวคนเนี่ยทุกคนมี ถ้าเราเคารพความรู้ในตัวคนก็เท่ากับคนทุกคนมีเกียรติความรู้ในตําในนี้มีคนไม่กี่คนหรอกจริงๆเชี่ยวชาญตรงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติพอคนส่วนน้อยรู้มันก็เลยต้องไปทําเป็นการค้าเกิด <c oughs> <c oughs> การค้าขายกัน้งที่ต้องเกิดความลาําบากครูยากรที่เรียนยากให้ไป แ, แปะเจียกก่อนแล้ววิ่งเต้นกันแล้วมาโรงเรียนดีๆก็ไม่มีนะแต่ถ้า เรเคารพความรู้ในตัวคนเนี่ยคนทุกคนมีเกียรติครูจะมีเยอะเลยอย่างที่อาจารย์เดินทางไปเนี่ย mm. ก็จะเจอคนดีมีน้ําใจคนนูน้นคนนี้อะไรทุกคนการเป็นคนมีเกียรติมีค่าหมดทุกคนเยนี้คนไทยทุกคนไม่มีเกียรติจะบ้านไม่มีเกียรติแค่นี้คือเียธรรมพื้นฐานตรงนีว่าเสียธรรมพืนทา น, นคือการเคารพศักดิ์ศรีคนค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างที่อาจารย์ไปนะอาจารย์จะเคารพ คนขอตานเขาลบหมาที่เรือนเขาบเออลบวัดแตกต่างๆแต่ในระบบการศึกษาของเราเนี่ยผมพูดเรียและพูดพลังแรงว่าระบบการศึกษาของเราตั้งอนุบาลจนถึงมัายมอรเนี่ยคือเครื่องทําลายศีลธรรมพื้นฐานของสังคมพอเราเข้าเรียนแล้วเรารู้สึกว่าสถาบันของเรามีเกียรติชาบ้านไม่มีเกียรติสถาบันมีเกียรติชาวบ้านไม่อันนี้ทําให้ขาดศีลธรรม ทีนตรงนี้เนี่ยฟังดูเหมืนยากแต่ว่าการปฏิบัตินีง่ายมากถ้าเราจับหลักตรงนี้นะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยให้นักเรียนไปเรียนจากชาบ้านเรียนจากช่างสริมสวยช่างผสมปูนคนไขายก๋วเตี่ยวคนเหล่านั้นล้สียดเกียรติขึ้นทันทีมีเกียรติขึ้นทันทีและนักเรียนเวลาเรียนจากใครเขาก็กรอบคนนั้นเป็นครูทีนี้ ตัวอย่างที่ปภาพัฒกำลังทำเนี่ยอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิด Transformation ขึ้นคือเขาไปทำแมทติ้งคนทุกคนบนเกาะลังตาใหญ่ถือว่าคนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพทั้งสิ้นลุงคนนี้อาจจะทำเชือกผูกเรือเก่งคนนี้จะทำกับข้าวเก่งคนนี้ทำอะไรทุกคนมีคนกล้าจริงนคนผู้หญิงชื่อมิราวะหลังชวนกนมาคุยเลยมิราเนี่ยเดิมเ็ตาธุรกิจ เคยไปจำตรงนี้เคยไปจำเนี่ยต้งนั่งฟังชาวบ้านนั่งฟังชาวบ้านเขาคุยให้ฟังก็ายามให้เขาคุยทีนี้เหมือนไดเราครับถ้าเราฟังใครเนี่ยถ้าเราเคารพคนนั้นความรู้สึกดีถ้ามันเกิดขึ้นชาบ้านไม่เคยมีใครเคารพเขาเลยอันนี้มีคนมาฟังเขมันเกิดพลังมหาสารแล้วตัวมิราเนี่ยเคยการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแกยิ้มแจงหน้าตามีความสุขมากเพราะมันเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประชาจนใหม่เดิมเรามองว่าประชาจนก็ไม่มีค่าก็าไม่มีเกียรติก็ไม่มีความรู้อันนี้มันเปลี่ยนไปว่าความรู้ในตัวคนที่มีเนี่ยเขามีทุกคนเป็นคนมีเกียรติหมดนี่ซึ่งมันเป็นความจริงพอมันเข้าถึงความจริงเนี่ยมันก็หลุดพ้นจากความบีบคั้นในความไม่จริงเพราะนั้นตัวแยอย่างนม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผมกําลังพยายาให้คนจาตรงนี้ให้มาทุ่มคือตอนนี้ประจำผิวแมนแบทบิน บางคนทุกคนที่จริงเคยบอกคุณทักษิณแตงแกเป็นรลฐนายกใหม่ใหม่มีสิ่งสิบต่ท่านายกจัดงบประมาณสนับสนุนสกอวให้เขาไปสนับยามาวิัลให้ไปทำยูแมนแมท p ิ n งให้การศึกษามันจะเปลี่ยนไปเลยณะนี้เราเอาจับไอ้ตำราเป็นต้ดตั้งแล้วคนคิดว่าคนจัดตรงนี้ไม่ได้ เพร้รู้ว่าการศรึกษานี่มีปัญหารู้ว่ามีแต่ไม่รู้จะทำไง น, นอกจากเปลี่ยนรัฐมนตรีศึกษาไป เ, ไเรืรอยๆก็ติดขัดอยู่ใน่นะันนั้นผมคิดว่าต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ของความรู้ใหม่ความรู้ในตัวค น, นริษฐานวัฒนธรรมเป็นตัวตามแล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นตัวต่อเติมไม่จชแค่เอาเป็นภาผมอาจจะผิด ก, ก็ได้นะ รยา้ามพอจะติดลมทำอะไรมาแก่นีเห็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวพูดจาอะไรหลงๆอันนี้จะเป็นร่างเรื่องอาจารย์ประมวลให้ฟังพาเดินทางแล้วกลับมารักภัรยามาก ประวัติพี่หมอโคม่ากลับจริงเราไม่ไม่ทราบว่าจะมีใครเสริมอะไรไหมคะในประเด็นตรงนี้ที่กคม่าไปแล้วกลับมาใหม่ในยุคแบบนี้แล้วเพิ่มชั่วขึ้นเคลี่ย แน่หลับนะหลับไปแน่นยัดดีคือตอนนี้มันบ่ายสามนะฮะแล้วเราก็ต้องหารือกันเรื่องงห้ามด้วยนิดหนึ่งใช่ไหมเพือ่อหารือสำหรับคราวหน้าอ๋อใช่เพราะรู้สึกเชิญพี่ประชาแต่ว่ายังยังไม่ได้กำหนดหัวข้อนะฮะ แต่ว่าหรือว่าทิศทางอะไรยังไงคะก็จะมีโจทย์หลักๆที่คุยกันคราวที่แลว้วนะคะว่าจิวิวัตควรเราทบทวนสองสาปีที่ผ่านมาแล้วคิดว่าจะทำอะไรต่อข้อสรุปคร่าวๆก็จะมีว่าอย่าง อ, อันแรกก็คืออย่างการมาประชุมตรงเนี้ยทาอย่างไรพ้นความจําเจแต่ว่าคิดยังคิดในแง่ของกิจกรรมไม่ออกแต่ว่าทิศทางเรื่องหัวข้อแล้วก็เป้าหมายก็เริ่มชัดเจนขึ้นก็คือจิวิวัตก็คือ มุ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะไปมุ่งเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ว่าก็คงจะต้องหาความรู้ที่เป็นแบบ message ม เ, ม เ, เป็นสารรวมที่จะสื่อสารในคนข้างนอกไปให้ได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ลองคิดว่าลองทำแบบเนื้อหาในเรื่องของว่าด้วยความเป็นมนุษย์ไปก่อนช่วงนี้แล้วก็รู้สึกจะวาแงแผนไว้ประมาณ 3-4 เดือนติดกันนะฮะโดยแก่นของเรื่องว่าว่าด้วยเรื่องความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ ซึ่งอย่างวันนี้ก็เป็นโดยอาจารย์ประมวลข้างหน้าเป็นของพี่ประชาแล้วก็ครั้งวใช่ค่ะแล้วก็ครั้งที่3เนี้ยอาจจะเป็นอาจารย์เกียรติวันอมตะกุลซึ่นทําเรื่อง neo humanist อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าหาเรือก็าอาจจะเป็นเรื่องว่าอย่างที่อาจารย์ระเวศเคยพูดบ่อยๆแล้วก็พยายามย้ําช่วงหลังนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเชิญวิชาการของกลุ่มจริตวัฒนเนี้ยควรออกมาในรูปแบบไหน ทีมประสานงานก็ไปคุยในแง่ว่าเป็นไม่ได้ไหมว่างานออควรจะออกมาในเรื่องของการผลิตหนังสือสมัมมนาหรืออาจจะมีอย่างอื่นอะไรนะฮะก็คือเอเรียนรเราศึกษาเพิ่งพูดภระระยาเมาเกีี้น็นะตเอาค่างเห็นดีนะ <laughs> ผมคิดว่าจุดโฟกัสของเราอยูนะไม่รู้เห็นด้วยตาที่พูดไปอาจารย์เนี่ย ว่าโลกมันมิติมากมันไม่มียาอะไรแล้วที่จะรักษานอกจากลมพุทธะธรรมเปรตระธรรมทันนี้ในที่นี้ก็คือสปิริตชัวนั่นเองนะฮะเป็นอืน่ะนะไม่มีนะเป็นพลังความดีแต่อะไรเล็กๆ น, น้อยๆอะไรเนี่ยมันเอาไม่อยู่ละสปิริตชทีนี้ตรงสปิริตชเนี่ยมันก็มีวิถีทางเยอะที่ผู้คนต่างๆเข้าถึงตรงนี้ ด้วยสางพปัสยดววิธีทำงานด้วยวิธีภาวนาด้วยไปสัมผัสความจริงด้วยกระบวนการชุมชนด้วยศิลปะและแบบไอ้นั้นเราควรจะดูผู้คนที่เขามีวิธีการต่างๆกันเราเรียนรู้วิธีการหลากหลายเพราะว่าถ้าโลกุตราโอสดจะเม็นจะเป็นยาสามัญประจาบ้านเนี่ยที่คนเข้าถึงได้กัต้องมีหลากหลายวิธีให้คนเลือก แล้วก็ต้องปรุงมันปรุงมันให้มันมีรสอร่อยให้มันอยาบน่ากินและให้รู้แต่มันกินได้ง่ายไม่ใช่แหมมันจังแสนชาติกว่าจะถึงเรื่ออะไรเงี้ทั้งทั้งข้ตงาตรงนี้ก็มีคนพยายามทำด่างๆหลไรผมคิดว่าถ้าไปรีวิวมาก็ใจจริงก็มาพูดแหละนะฮะแต่ว่ามองตรงนี้ให้กว้างแล้วถ้าเราไปดูหนังสือในต่างประเทศมันมีเยอะมากเลยที่ผมผมาจจะไม่ได้อ่านมาก แต่ก็เห็นเยอะเนี่ยมีคนให้เสือเรื่องสปิริ t ช a ว p o l i t i c s ก็มีและข่าวที่แล้วใทยแจกไมเคิลเชน2010ันสิไปอะไรคอนเทนต์ไแคปิตอลิซึมอะไรที่ที่คนเขียนเมเคิลเชนสองพ0เคยเขียนนะ อ, อ, อดีมมันมีร้อยแปดต่างเนี่ยเพราะเรื่อนี้ผมว่าหรือว่าอย่างออตโต ที่ทำ y o ่ t h e ย r y อ่ะอะนั้นจริงๆก็ตรงกับพระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นมีกิ m m i c k อะไรไปอันนี้มันดีที่มันทาอันนี้มีลูกเล่นต่างๆแต่มันก็ตรงกับพระพุทธเจ้าสอนเตี้ยเนี่ยเมื่อใครพูดอะไรเธออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธก็คือซ u s p e n d เตี้ยนาดูลึกๆใช้โยนิสสมนัสิการ์ดีสติอัมก็ดึงเรื่องของต่างขาตัวอยู่ละ ลงไปอีกเรทเปอร์เซนต์ต่ำเอ่อซึ่งก็โอเคให้มีคนคิดเรื่องใหม่อาจจะมีวัฒกธรรมใหม่มีอะไรก็ได้โอเคถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะมีาศาสดาพูดไปก่อนแต่เขามีวิธีพูดใหม่ๆผ ม, มก็ก็โอเคคือตรงเนี้ยจุดมันคืออยู่ที่ว่าสมัยจะปรุงโลปุตระรุสศให้ปัญญาสามัญประจำ บ, บ้านในรูป่งางๆให้มันน่ากิน คือจุดสำคัญเนี่ยคนต้องลิ้มรสมันต้องลิ้มรสมันแล้วติดใจในรสอรอดของมันนะฮะที่เรียกสัมผิสที่ก่อถ้าเราพูดเฉยเฉยแล้วคนไม่ได้ลองเลยก็ไม่รู้รสนั้นดีบ่ายเรื่องแกงมันน่าอร่อยอยังไงยังไงคนนั้นไม่เคยกินแกงมันก็ไม่รู้รสเน่ะต้องให้คนได้ได้ลิ้มรสให้ได้ลิ้มรสได้แล้วเขาจะรู้มันจะติดใจมันตรงนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยคือที่เราจับ ของเราเนี่เป็นเวทีขอเราเป็นเวทีแต่แต่ละคนเนี่ยมันมีกิจกรรมพวกเชียงรายก็มีอะไรเยอะเจ้าใครก็มีอะไรเยอะมีเยอะตรงนี้ไม่ใช้ที่ที่กิจกรรมกิจกรรมเกิดตัวที่ไม่จำจำที่ไหนจะเป็นกลุ่มเป็นสถาบันเป็นอะไรก็อ่านกันแต่ว่าตรงนี้เป็นเวทีที่เรียนรู้แล้วเรียนเรียนรู้ตรงเนี้แล้วก็ไปพินไหนมัติจรทุกวันเสาร์ซึ่งความว่าก็ดี มันสแล้วก็ถ้ารวบรวมหนังสือได้ก็มีหนังสือออกไปที่ผมคุยกับหมอสมศักดิ์พิจารานแล้วอาจจะมี Public Service เป็นครั้งคราวเพราะคนที่ได้ยินเนี่ยเขาอยากมาร่วมแต่เราไม่อยากให้ป้ามาร่วมมาเดี๋ยวมันใหญ่เกแล้วอาจจะจัดเป็นพ e บล i คมิ팅ในสัปดาหลสองครั้งหรืออะไรเนี่ยก็เปิดโอเให้คนมาอาจจะจัดที่ธรรมาสตร์หรอะไรนี พทควาที่นาสนใจเป็นพบ i ิก e ร v i c ะแล้วก็ทำ ห, ห้องสมุดอยู่ใช่ไหมห้องสมุดแล้วจะไปมันออนไลน์ไปเนี่ยมันน่าจะพอแล้วแล้ว อ, อย่างหลายคนไปร่วมมันทำหลักสูตรจิตปัญญาศึกษาอยู่อันนั้นก็ทำไปอานแต่ว่าก็เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยบุคคลฝั่งั้างบรรการว่าอาจจะไปพร่วมกันในรับ แก่คนแก่ไม่ควรจะเป็นชี้นหนัก อ, อาจารย์คราวที่แล้วที่คุยก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับครอบคุมที่เท่าที่อาจารย์เสนอนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็ที่การเสนอไม้ชัดขึ้นแล้วก็บางส่วนก็อาจจะอาจาอาจะเสริมจากที่เราได้คุยกันมาให้ให้มันมีผลกว้างขึ้นที่คุยกันก็เพียงแต่มีความรู้สึกว่าที่อาจารย์ได้ให้ความ เห็นกับพวกเราเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้ทำงานวิชาการให้หนักขึ้นคืออย่ามาคุยโดยเหมือนกับมานั่งฟังแล้วก็เป็นครัง้งไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้มีความทุ่มเทที่จะเรียนรู้เป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาและถ้าใครสนใจศึกษาเรื่องอะไรก็ให้ทาให้เก่งในเรื่องนั้นขึ้นมาให้ได้ล้วก็ได้คุยกันเรื่องพวกนี้มาเมื่อคราวที่แล้วว่า มันน่าจะเริ่มจากตรงนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะกลับไปหาอริยที่ตัวเองจะทุ่มเท ศ, ศึกษาให้ให้รู้จริงรู้จริงรู้แจ้งในในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งซึ่งผมก็คิดว่าก็ก็ยังคงเป็นเรื่องเป็นภารกิจที่ที่จะต้องทาต่อไปอยู่ส่วนเรื่องที่จะเชิญคนมาพูดคุยเนี่ยในช่วงเฉพาะหน้านี้ก็ก็เป็น ทำความเข้าใจให้ชัดในเรื่องของความเป็นมนุษย์เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการแพทย์ที่มีหัวใจความมนุษย์เรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอย่างนี้<ม>ก็ก็เลยได้คุยกันว่าสําหรับพี่ประชาะก็ได้ติดตามความคิดในเรื่องท<ม>ี m แมนนิคือมนุษยนิยมเ<ม>นี่ยในทางของตะวันออกและตะวันตก <S <S น, ค น, นะครับเพรว่าที่เรารู้สึกกันนั่คือว่าเราก็จะคุยปรัชญาตะวันตกกับวิทยาศาสตร์เยอะแต่ว่าปรัชญาตะวันออกกับ ทางแม่สังคมเนี่ยเราก็อาจจะไม่ไม่เข้มงเท่าไหร่นะฮะก็เลยคิดว่าถ้าพี่ประชามาก็จะจะช่วยในในกรณีนี้ได้ตอนนี้ก็เลยความจริงก็ล็อกวันไว้แล้วนะของสหรับพี่ประชาในทางแม่ตางประชาศเพราะว่าเขาก็เคยบวชเรียนเคยเขียนจารย์จนพุทธาแล้วก็ไปจับเรื่ออาสาสมัครในเทศประมากในธรรมไรต่าง แล้วก็อยากตั้งโรงเรียนตั้งโรงเรียนคุณนำชาวพุทธแล้วก็อยากสนับนุนเขาที่มุ่งที่เด็กที่มั่งคัประชาสังคมที่เกิดมีรับก็มีประสบการณ์อะไรที่สปาร์แล้ด์ปริญาอยู่ที่นั่นที่นั่นลือแต่มันมีกลุ่มอะไรกลมออนอะไราเครั้งที่แล้วที่ครั้งที่แล้วที่ชวนเอ่อ ทีเดชาทีเดชาที่เดาก็ดีคร um ับถ um ้าอย่างนี um ้ม um ันก um ็คงอจะเป็นไปอย่างนี้ก่อนนะครับสำวันนี้ไม่ไมเศร้ายังมีอะไรอีกไหมครัผมคิดว่าก็ตามกติกาเราคือประชุมวันถึงบ่ายสามโมงวันนี้ก็ไม่ใช่เวลาเต็มที่และก็ผมตอนบ่ายไม่ไม่ได้อยู่ฟังอาจารย์แค่ด้วยความเสียดายนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะติดตามได้จากการสรุปรายงาน ก็ในวันนี้ก็คิดว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะได้อย่างที่รู้สึกอยู่ในใจว่าได้มารับฟังเรื่องที่อาจจะเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่เวทีจิตวิทยาเคยมีมาเนเป็นทั้งในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็การให้แรงบันดาลใจที่จะแสวงหาเส้นทางของแต่ละคนที่จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้กับเข้าถึงความ รายเอียก่อนต่อชีวิตซึ่งอาจารย์ประมวลก็ได้นาสิ่งนี้มาให้เราในครั้งนี้ก็ขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับสิ่งที่อาจารย์แบมให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เช<ม>ื่อว่าพวกเราก็คงจะได้เติบโตไปบนเส้นทางของพวกเราทุกๆคนอย่างในข้างหน้าโดยมีอาจารย์เป็นแรงดันใจสําคัญขอบคุณครัอาจารย์ชื่อจริงกับตัวบทการเออ <laughs> <laughs>